บทภาชนี405บุคคลอายุยันกว่า20ปีพิกษุสําคัญว่าอายุยันกว่า20ปีอุปสมบทให้ต้องอบัติภาจิตตีบุคคลอายุยันกว่า20ปีภิสูจไม่แน่ใจอุปสมบทให้ต้องอบัติทุกกฎบุคคลอายุย hmm. ันกว่า20ปีพิกษุสําคัญว่าอายุครบ20ปีอุปสมบทให้ไม่ต้องอบัติบุคคลอายุครบ20ปีพิกษุน์สำคัญว่าอายุยันกว่า20ปีอุปสมบทให้ต้องอบัติทุกกฎ บุคคลอายุครบ20ปีภิกษุไม่แน่ใจอุปสมบทให้ต้องอาบัตทุกกฎบุคคลอายุครบ20ปีภิกษุสำคัญว่าอายุครบ20ปีอุปสมบทให้ไม่ต้องอาบัต